คำสอนของหลวงพ่อชาสุภโทรเรื่องสองหน้าของสัจธรรมในชีวิตของเรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือคล้อยตามไปกับโลกหรือพยายามปฏิบัติให้อยู่เหนือโลกพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงปฏิบัติจนพระองค์เองทรงพลโลกด้วยการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในทํานองเดียวกันปัญญาก็มีสองคือปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตระหากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบัติอบรมตนเองถึงจะมีปัญญาปานใด ก็เป็นเพียงปัญญาโลกีเป็นโลกียวิสัยจะหลุดพ้นโลกไปไม่ได้พระโลกียวิสัยนั้นมันเวียนไปตามโลกเมื่อเวียนคล้อยไปตามโลกจิตก็เป็นโลกคิดอยู่แต่จะหามาใส่ตัวอยู่ไม่เป็นสุขหาไม่รู้จักพอวิชาโลกีเลยกลายเป็นอวิชา หาใช่วิชาความรู้แจ้งไม่มันจึงเรียนไม่จบสักทีเพราะมัวไปตามลาบตามยศตามสรรเสริญตามสุขพาใจให้ติดข้องเป็นกิเลสกองใหญ่เมื่อได้มาก็หึงก็หวงเห็นแก่ตัวสู้ด้วยกำปั้นไม่ได้ก็คิดสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไก สร้างศาสตราอาวุธสร้างลูกระเบิดคว้างใส่กันนี่คือโลกีมันไม่หยุดสักทีเรียนไปก็เพื่อจะเอาโลกจะครองโลกได้อะไรก็หวงอยู่นั่นแล้วนี่คือโลกีวิสัยเรียนไปแล้วก็จบไม่ได้มาฝึกทางโลกุตระ โลกุตระนี้อยู่ได้ยากผู้ใดหวังมักหวังผลหวังนิพพานจึงจะทนอยู่ได้จงทำตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำให้มันหมดโลกีถ้าเชื้อโลกีไม่หมดมันก็ยากมันยุ่งไม่หยุดสักที แม้มาบวดแล้วก็ยังคอยดึงให้ออกไปมันมาคอยให้ความรู้ความเห็นมันมาคอยปรุงคอยแต่งความรู้อยู่นั่นแหละทำให้ใจติดข้องอยู่ในกามะขุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทันมารมอารมณ์ของใจเป็นกามคือความใคร่ในความสุข ความทุกข์ความดีความชั่วสารพัดอย่างมีแต่กามทั้งนั้นคนไม่รู้จักก็ว่าจะทำสิ่งในโลกนี้ให้มันเสร็จให้มันแล้วเหมือนคนที่มาเป็นรัฐมนตรีใหม่ก็คิดว่าตนต้องทำได้บริหารได้แล้วก็เอาอะไรอะไรที่คนเก่าทำไว้ออกไปเสียเอาวิธีบริหารของตนเข้ามาใช้แทน ก็เลยต้องได้หามกันออกไปหามกันเข้าอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องสักทีที่ว่าจะทำให้เสร็จมันก็ไม่เสร็จเพราะจะทำให้ถูกใจคนทุกคนนั้นมันทำไม่ได้หรอกคนหนึ่งชอบน้อยคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งชอบสั้นคนหนึ่งชอบยาวคนหนึ่งชอบเค็ม คนหนึ่งชอบเผ็ดจะให้เหมือนกันนั้นไม่มีในโลกคนอยู่ครองโลกครองบ้านครองเมืองทำทุกอย่างก็อยากให้มันสาเร็จแต่ไม่มีทางสาเร็จหรอกเรื่องของโลกมันจบไม่เป็นถ้าทำตามโลกแล้วจบได้พระพุทธเจ้าท่านก็คงทรงทำแล้ว เพราะท่านครองโลกอยู่ก่อนแต่นี่มันทำไม่ได้ในเรื่องของกลามคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะทันมาร่มนั้นรูปอะไรก็ไม่จับใจเท่ารูปผู้หญิงผู้หญิงรูปร่างบาดตาก็ชวนมองอยู่แล้วยิ่งเดินซอกแซกซอกแซกก็ยิ่งมองเพลิน เสียงอะไรจะมาจับใจเท่าเสียงผู้หญิงเป็นไม่มีมันบาดถึงหัวใจกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นอะไรก็ไม่เหมือนกลิ่นผู้หญิงติดกลิ่นอื่นก็ไม่เท่าติดกลิ่นผู้หญิงมันเป็นอย่างนั้นรสอะไรก็ไม่เหมือนรสข้าวรสแกงรสสารพัดก็ไม่เทียบเท่ารสผู้หญิง หลงติดเข้าไปแล้วถอนได้ยากเพราะมันเป็นกามโพธพิภพก็เช่นกันจับต้องอะไรก็ไม่ทำให้มืนเมาปั่นป่วนจนหัวชนกันเหมือนกับจับต้องผู้หญิงฉะนั้นเมื่อลูกเท้าพยาที่ไปเรียนวิชากับอาจารย์ตักกศิลาจนจบแล้วจะลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์จึงสอนว่า เวทมนตร์กลมายาอะไรอะไรก็สอนให้บอกให้จนหมดแล้วเมื่อกลับไปครองบ้านครองเมืองแล้วมีอะไรมาก็ไม่ต้องกลัวจะสู้ได้หมดทั้งนั้นจะมีสัตว์ประเภทใดมาก็ไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีฟันอยู่ในปากหรือมีเขาอยู่บนหัวมีงวงมีงาก็คุ้มกันได้ทั้งสิ้น แต่ไม่รับรองอยู่แต่เฉพาะสัตว์จำพวกหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่บนหัวแต่หากไปอยู่ที่หน้าอกสัตว์ชนิดนี้ไม่มีมนชนิดใดจะคุ้มกันได้มีแต่จะต้องคุ้มกันตัวเองรู้จักไหมสัตว์ที่มีเขาอยู่หน้าอกนั่นแหละท่านจึงให้รักษาตัวเอาเองท่านมารมที่เกิดขึ้นกับใจแล้ว ทำให้อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้สิ่งอยากได้ของท่านมารมอย่างนั้นไม่พอให้ลมตายแต่ถ้าเป็นทันมารมที่ชุ่มด้วยน้ำกรามเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ลืมพ่อลืมแม่แม้พ่อแม่เลี้ยงมาก็หนีจากไปได้โดยไม่คำนึงถึงพอเกิดขึ้นแล้วรั้งไม่อยู่สอนก็ไม่ฟัง รูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโพพิะหนึ่งธัมมารมหนึ่งเป็นบ่วงเป็นบ่วงของพยามาณพยามาณแปลว่าผู้ให้ร้ายต่อเราบ่วงแปลว่าเครื่องผูกพันบ่วงของพยามาณเปรียบได้กับแล้วของนายพรานนายพรานที่เป็นเจ้าของแล้ว นั่นแหละคือพยามาทเชือกเป็นบ่วงเครื่องผูกของนายพรานสัตว์ทั้งหลายเมื่อไปติดบ่วงเข้าแล้วลำบากมันผูกไว้ดึงไว้รอจนเจ้าของแล้วมาเหมือนกับนกไปติดแล้วเข้าแล้วมันรัดถูคอดิ้นไปไหนก็ไม่หลุดดิ้นปัดไปปัดมาอย่างนั้นแหละมันผูกไว้คอยนายพรานเจ้าของแล้ว ครั้เจ้าของมาเห็นก็จบเรื่องนั่นแหละพญามาร น, นกกลัวมากสัตว์ทั้งหลายกลัวมากเพราะหนีไปไหนไม่พ้นบวงก็เช่นกันรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธันมารมเป็นบวงผูกเอาไว้เมื่อเราติดในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธันมารมก็เหมือนกับปลากินเบ็ด รอให้เจ้าของเบ็ดมาดิ้นไปไหนก็ไม่หลุดอันที่จริงแล้วมันยิ่งกว่าปลากินเบ็ดต้องเปรียบได้กับกบกินเบ็ดเพราะกบกินเบ็ดนั้นมันกินลงไปถึงไส้ถึงพุงแต่ปลากินเบ็ดก็กิกนอยู่แค่ปากคนติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เหมือนกัน แบบคนติดเล่าถ้าตับยังไม่แข็งไม่เลิกติดตอนแรกๆก็ไม่รู้จักเรื่องก็หลงเพลิดเพลินไปเรื่อยๆจนเกิดโรคร้ายขึ้นนั่นแหละเป็นทุกข์เหมือนดูรุดพูดหนึ่งหิวน้ำจัดเพราะเดินทางมาไกลมาขอกินน้ำเจ้าของน้ำก็บอกว่าน้ำนี้จะกินก็ได้ สีมันก็ดีกลิ่นมันก็ดีรสมันก็ดีแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันเมานะบอกให้รู้ซะ ก, ก่อนเมาจนตายหรือเจ็บเจียนตายนั่นแหละแต่บุรุษผู้หิวน้ำก็ไม่ฟังเพราะหิวมากเหมือนคนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกหมอบังคับให้อดน้ำก็ร้องขอน้ำกินคนหิวในกามก็เหมือนกัน หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสล้วนของเป็นพิษพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธันมารมนั้นมันเป็นพิษเป็นบ่วงก็ไม่ฟังกันเหมือนกับบุรุษหิวน้ำผู้นั้นที่ไม่ยอมฟังคำเตือนเพราะความหิวกระหายมัน จะต้องทุกข์ยากลำบากเพียงใดก็ขอให้ได้กินน้ำเถอะเมื่อได้กินได้ดื่มแล้วมันจะเมาจนตายหรือเจียนตายก็ช่างมันจับจอกน้ำได้ก็ดื่มเอาดื่มเอาเหมือนกับคนหิวในกามก็กินรูปกินเสียงกินกลิ่นกินรสกินโพธพิภพกินธัญมารมรู้สึกอร่อยมาก ก็กินเอากินเอาหยุดไม่ได้กินจนตายตายคากามอย่างนี้ท่านเรียกว่าติดโลกีวิสัยปัญญาโลกีก็สแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพทัพพะทันมารมถึงปัญญาจะดีสักปานใดก็ยังเป็นปัญญาโลกีอยู่นั่นเอง สุขปานใดก็แค่สุขโลกีมันไม่สุขเหมือนโลกุตระคือมันไม่ผลโลกการฝึกทางโลกุตระคือทาให้มันหมดอุปทานปฏิบัติให้หมดอุปทานให้พิจารณาร่างกายนี่แหละพิจารณาซ้าแล้วซ้ำอีกให้มันเบือ่อให้มันนายจนเกิดนิพพิธา ซึ่งเกิดได้ยากมันจึงเป็นของยากถ้าเรายังไม่เห็นก็ยิ่งดูมันยากเราทั้งหลายพากันมาบวชเรียนเขียนอ่านมาปฏิบัติภาวนาก็พยายามตั้งใจของตัวเองแต่ก็ทำได้ยากกำหนดข้อประพฤติปฏิบัติไว้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ทำได้เพียงวันหนึ่ง สองวันหรือแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ลืมเสียแล้วพอระลึกขึ้นได้ก็จับมันตั้งไว้อีกก็ได้เพียงชั่วคราวพอรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรมารมผ่านมาก็พังไปเสียอีกแหละพอนึกได้ก็จับตั้งอีกปฏิบัติอีกนี่เรามักเป็นเสียอย่างนี้ เพราะสร้างทานบไว้ไม่ดีปฏิบัติไม่ทันเป็นไม่ทันเห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นโลกุตระไม่ได้ถ้าเป็นโลกุตระได้มันพ้นไปจากสิ่งทั้งหลายนี้แล้วมันก็สงบเท่านั้นเองที่ไม่สงบทุกวันนี้ก็เพราะของเก่ามันมากวนอยู่ไม่หยุด มันตามมาพัวพันเพราะมันติดตัวเคยชินเสียแล้วจะแสวงหาทางออกทางไหนมันก็คอยมาผูกไว้ดึงไว้ไม่ให้ลืมที่เก่าของมันเราจึงเอาของเก่ามาใช้มาชมมาอยู่มากินกันอยู่อย่างนั้นผู้หญิงก็มีผู้ชายเป็นอุปสรรคผู้ชายก็มีผู้หญิงเป็นอุปสรรค มันพอปานกันถ้าผู้ชายอยู่กับผู้ชายด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรหรือผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันมันก็อย่างนั้นแหละแต่พอผู้ชายไปเห็นผู้หญิงเข้าหัวใจมันเต้นติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักผู้หญิงเห็นผู้ชายเข้าก็เหมือนกันหัวใจก็เต้นติ๊กตักติ๊กตักเพราะมันดึงดูดซึ่งกันและกัน นี่ก็เพราะไม่เห็นโทษของมันหากไม่เห็นโทษแล้วก็ละไม่ได้ต้องเห็นโทษในกามและเห็นประโยชน์ในการละกามแล้วจึงจะทำได้หากปฏิบัติยังไม่พ้นแต่พยายามอดทนปฏิบัติต่อไปก็เรียกว่าทำได้ในเพียงระดับของศีลธรรม แต่ถ้าปฏิบัติได้เห็นชัดแล้วจะไม่ต้องอดทนเลยที่มันยากมันลำบากก็เพราะยังไม่เห็นในทางโลกนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทำไว้ถ้าจวนเสร็จเรียบร้อยเราก็สบายถ้ายังไม่เสร็จก็เป็นห่วงผูกพันนี่คือโลกีมันผูกพันตามไปอยู่เรื่อยว่าจะทำให้หมดนั้น มันหมดไม่เป็นหรอกเหมือนกันกันกบพ่อค้าพบใครก็ว่าถ้าหมดหนี้หมดสินแล้วจะบวชเมื่อไรมันจะหมดเป็นเพราะพอหมดหนี้เก่าก็กู้ใหม่มาอีกพ่อค้าก็ไม่มีวันหมดหนี้หมดสินเมื่อกู้ไม่หยุดแล้วจะหมดได้อย่างไรนี่แหละปัญญาโลกี การปฏิบัติของเราเนี่ยก็ให้เฝ้าดูจิตใจไว้ข้อวัดข้อใดมันหย่อนพอเห็นพอรู้สึกก็ให้ตั้งขึ้นใหม่ถ้ามันหย่อนอีกผู้มีสติก็ต้องจับมันตั้งขึ้นอีกส่วนผู้ไม่มีสติก็จะปล่อยไปเลยผู้มีสติก็ดึงขึ้นมาทำอยู่อย่างนั้นแหละ เรียกว่าทมไม่รู้จักแล้วเพราะว่ามันเป็นโลกีมันจึงดึงไปดึงมาอยู่นั่นแหละการมาบวชนั้นเป็นของยากจะต้องตั้งอกตั้งใจเป็นผู้มีศรัทธาปฏิบัติไปจนมันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงมันจึงจะเบือ่อเบื่อนั้นไม่ใช่ชังต้องเบื่อทั้งรัก ทั้งชังเบื่อทั้งสุขทั้งทุกข์คือเห็นทุกอย่างไม่เป็นแก่นสารนั่นเองธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นซับซ้อนไม่เห็นได้โดยง่ายถ้าไม่มีปัญญาแล้วเห็นไม่ได้เหมือนเราได้ไม้มาท่อนหนึ่งเป็นไม้ท่อนใหญ่แต่ความเป็นจริงไม้ท่อนน้อยก็แทรกอยู่ในไม้ท่อนใหญ่นั่นแหละ หรือได้ไม้ท่อนน้อยมาไม้ท่อนใหญ่มันก็แทรกอยู่ในนั้นด้วยโดยมากคนเราเห็นไม้ท่อนใหญ่ก็เห็นแต่ว่ามันใหญ่เพราะคิดว่าน้อยจะไม่มีได้ไม้ท่อนน้อยก็เห็นแต่มันน้อยเพราะคิดว่าใหญ่ไม่มีมันจึงไม่มองไปข้างหน้าไม่มองไปข้างหลัง เมื ora, Dante, asure, Safe, left, да UST, no no ่อส no no ุขก็นึกว่าจะมีแต่สุขเมื่อทุกข์ก็นึกว่าจะมีแต่ทุกข์ไม่เห็นว่าทุกข์อยู่ที่ไหนสุขก็อยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่นั่นไม่เห็นว่าใหญ่อยู่ที่ไหนน้อยก็อยู่ที่นั่นน้อยอยู่ที่ไหนใหญ่ก็อยู่ที่นั่นให้คิดอย่างนั้น คนเราไม่รู้จักคิดย้อนหน้าย้อนหลังเห็นแต่หน้าเดียวไปเลยจึงไม่จบสักทีทุกอย่างมันต้องเห็นสองหน้ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็อย่าลืมทุกทุกเกิดขึ้นมาก็อย่าลืมสุขมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเช่นว่าอาหารนั้นเป็นคุณแก่มนุษย์แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่างนี้เป็นต้นแต่ความจริงอาหารเป็นโทษก็มีเหมือนกันมิใช่มันจะให้คุณแต่อย่างเดียวมันให้โทษด้วยก็มีเมื่อใดเราเห็นคุณก็ต้องเห็นโทษของมันด้วยเห็นโทษก็ต้องเห็นคุณด้วยเมื่อใดมีความชังก็ให้นึกถึงความรักคิดได้อย่างนี้ จะทำให้จิตใจของเราไม่ส่วนเสไปมาได้อ่านหนังสือของเซนที่พวกเซนเขาแต่งพวกเซนเป็นพวกมุ่งปฏิบัติเขาไม่ใครสอนกันเป็นคำพูดนักเป็นต้นว่าพระเซนรูปหนึ่งนั่งหานอนขณะภาวนาอาจารย์ก็ถือไม้มาฟาดเขาที่กลางหลังลูกศิษย์ โลกศิษย์ที่ถูกตีก็พูดว่าขอบคุณครับเซนเขาสอนกันอย่างนั้นสอนให้เรียนรู้ด้วยการกระทำวันหนึ่งพระเซนนั่งประชุมกันธงที่ปักอยู่ข้างนอกก็โบกปลิวอยู่ไปมาพระเซนสององค์ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าทำไมธงจึงโบกปลิวไปมาองค์หนึ่งว่าเพราะมีลม อีกองค์ก็ว่าเพราะมีธงต่างหาต่างก็โต้เถียงโดยยึดความคิดเห็นของตนอาจารย์ก็เลยตัดสินว่ามีความเห็นผิดด้วยกันทั้งคู่เพราะความจริงแล้วธงก็ไม่มีลมก็ไม่มีนี่ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนี้อย่าให้มีลมอย่าให้มีธง ถ้ามีธงก็ต้องมีลมถ้ามีลมก็ต้องมีธงมันก็เลยจบกันไม่ได้สักทีน่าเอาเรื่องนี้มาพิจารณาวางให้มันว่างจากลมว่างจากธงความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บตายไม่มีมันว่างที่เราเข้าใจว่าธง เข้าใจว่าลมนั้นมันเป็นแต่ความรู้สึกที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นความจริงมันไม่มีน่าจะเอาไปฝึกใจของเราในความว่างนั้นมัจจุราชตามไม่ทันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามไม่ทันมันหมดเรื่อง ถ้าไปเห็นว่ามีธงอยู่ก็ต้องมีลมมาพัดถ้ามีลมอยู่ก็ต้องไปพัดธงมันไม่จบสักทีเพราะความเห็นผิดแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วลมก็ไม่มีธงก็ไม่มีก็เลยหมดหมดเราหมดเขาหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย หมดทุกอย่างถ้าเป็นโลกีวิสัยก็สอนกันไม่จบไม่แล้วสักทีเราก็ฟังก็ว่ามันยากเพราะมันเป็นปัญญาโลกี หากเราพิจารณาได้เราก็มีปัญญามากพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันเมื่อตอนที่ท่านครองโลกอยู่ท่านก็มีปัญญาโลกีต่อเมื่อท่านมีปัญญามากเข้าท่านจึงดับโลกีได้เป็นโลกุตระเป็นผู้เลิศในโลกไม่มีใครเหมือนท่าน ถ้าเราทำความคิดไว้ในใจให้ได้ดังนี้เห็นรูปก็ว่ารูปไม่มีได้ยินเสียงก็ว่าเสียงไม่มีได้กลิ่นก็ว่ากลิ่นไม่มีลิ้มรสก็ว่ารสไม่มีมันก็หมดที่เป็นรูปนั้นก็เพียงความรู้สึกได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าความรู้สึกที่มีกลิ่นก็สักแต่ว่ามีกลิ่น เป็นเพียงความรู้สึกรสก็เป็นแต่เพียงความรู้สึกแล้วก็หายไปตามความเป็นจริงก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพทภพธรรมารมณ์นี้เป็นโลกีถ้าเป็นโลกุตระแล้วรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มี โพธพะไม่มีทันมารมไม่มีเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีของเราไม่มีตัวเขาไม่มีของเขาก็ไม่มี ความดับทุกนั้นเป็นไปในทำรนองนี้คือไม่มีใครจะไปรับเอาทุกแล้วใครล่ะจะเป็นทุกไม่มีใครไปรับเอาสุขแล้วใครล่ะจะเป็นสุขนี่พอทุกเข้าก็เรียกว่าเราทุกเพราะเราไปเป็นเจ้าของมันมันก็ทุกสุขเกิดขึ้นมาเราก็ไปเป็นเจ้าของสุขมันก็สุข ก็เลยยึดมั่นถือมัน่นอันนั้นแหละเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกไม่จบการที่พวกเราทั้งหลายออกจากบ้านมาสู่ป่าก็คือมาสงบอารมณ์หนีออกมาเพื่อสู้ไม่ใช่หนีมาเพื่อหนี ไม่ใช่เพราะแพ้เราจึงมาคนที่อยู่ในป่าแล้วก็ไปติดป่าคนอยู่ในเมืองแล้วก็ไปติดเมืองนั้นเรียกว่าคนหลงป่าคนหลงเมืองพระพุทธเจ้าท่านว่าออกมาอยู่ป่าเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกอุปัติวิเวกตังหาก ไม่ใช่ให้มาติดป่ามาเพื่อฝึกเพื่อเพาะปัญญามาเพาะให้เชื้อปัญญามันมีขึ้นอยู่ในที่วุ่นวายเชื้อปัญญามันเกิดขึ้นยากจึงมาเพาะอยู่ในป่าเท่านั้นเองเพราะเพื่อจะกลับไปต่อสู้ในเมืองเราหนีรูปหนีเสียงหนีกลิ่นหนีรส หนีโผธพะหนีทันมารมมาอย่างนี้ไม่ใช่หนีเพื่อจะแพ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้หนีเพื่อมาฝึกหรือมาเพาะให้ปัญญาเกิดแล้วจะกลับไปรบกับมันจะกลับไปต่อสู้กับมันด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าไปอยู่ในป่าแล้วไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สบายไม่ใช่อย่างนั้น แต่ต้องการจะมาฝึกเพราะเชื้อปัญญาให้เกิดขึ้นในป่าในที่สงบเมื่อสงบแล้วปัญญาจะเกิดเมื่อใครครวญพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธัมมารมณ์นั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อเราก็เพราะเราโงา่เรายังไม่มีปัญญาแต่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้คือครูสอนเราอย่างดีเมื่ออยู่ในป่าแล้วอย่าไปยึดป่าอย่ามีอุปทานในป่าเรามานี้เพื่อมาทำให้ปัญญาเกิดถ้ายังไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพดทัพพะทันมารุมนั้นเป็นปฏิปักษ์กับเราเป็นข้าศึกของเรา ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโพดทพะธันมารมนั้นไม่ใช่ข้าศึกแต่เป็นสภาวะที่ให้ความรู้ความเห็นแก่เราอย่างแจ้งชัดเมื่อสามารถกลับความเห็นอย่างนี้แสดงว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างไก่ป่า เราก็รู้กันทุกคนว่าไก่ป่านั้นเป็นอย่างไรสัตว์ในโลกนี้ที่จะกลัวมนุษย์ยิ่งไปกว่าไก่ป่านั้นไม่มีแล้วเมื่อมาอยู่ในป่านี้ครั้งแรกก็เคยสอนไก่ปา่าเคยเฝ้าดูมันแล้วก็ได้ความรู้จากไก่ปา่าหลายอย่างครั้งแรกมันมาเพียงตัวเดียวเดินผ่านมา เราก็เดินจงกรมอยู่ในป่ามันจะเข้ามาใกล้ก็ไม่มองมันมันจะทําอะไรก็ไม่มองมันไม่ทํากริยาอันใดกระทบกระทั่งมันเลยต่อไปก็ลองหยุดมองดูมันพอสายตาเราไปถูกมันเข้ามันวิ่งหนีเลยแต่พอเราไม่มองมันก็คุยเขียอาหารกินตามเรื่องของมัน แต่พอมองเมื่อไรก็วิ่งหนีเมื่อนั้นนานเข้าสักหน่อยมันคงเห็นความสงบของเราจิตใจของมันก็เลยว่างแต่พอหวานข้าวให้เท่านั้นไก่มันก็หนีเลยก็ช่างมันก็หวานทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ตรงนั้นอีกแต่ยังไม่กล้ากินข้าวที่หวานไว้ให้มันไม่รู้จัก นึกว่าเราจะไปฆ่าไปแกงมันเราก็ไม่ว่าอะไรกินก็ช่างไม่กินก็ช่างไม่สนใจกับมันไม่ช้ามันก็ไปคุ้ยเขี่ยหากินตรงนั้นมันคงเริ่มมีความรู้สึกของมันแล้ววันต่อมามันก็มาตรงนั้นอีกมันก็ได้กินข้าวอีกพอข้าวหมดก็หวานไว้ให้อีก มันก็วิ่งหนีอีกแต่เมื่อทำซ้ำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆตอนหลังมันก็เพียงแต่เดินหนีไปไม่ไกลแล้วก็กลับมากินข้าวที่หวานให้นั้นนี่ก็ได้เรื่องละตอนแรกไก่มันเห็นข้าวสารเป็นข่าศึกเพราะมันไม่รู้จักเพราะมันดูไม่ชัดมันจึงวิ่งหนีเรื่อยไปต่อมามันเชื่องข้า จึงกลับมาดูตามความเป็นจริงก็เห็นว่านี่เข้าสารนี่ไม่ใช่ค่าศึกไม่มีอันตรายมันก็มากินจนตลอดทุกวันนี้นี่เรียกว่าเราก็ได้ความรู้จากมันเราออกมาอยู่ในป่าก็นึกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธนารมในบ้านเป็นค่าศึกต่อเรา จริงอยู่เมื่อเรายังไม่รู้มันก็เป็นค่าสึกจริงๆแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วก็เหมือนไก่รู้จักข้าวสารว่าเป็นข้าวสารไม่ใช่ค่าสึกค่าสึกก็หายไปเรากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะทันมารมก็เหมือนกันฉันนั้น มันไม่ใช่ค่าศึกของเราหรอกแต่เพราะเราคิดผิดเห็นผิดพิจารณาผิดจึงว่ามันเป็นค่าศึกถ้าพิจารณาถูกแล้วก็ไม่ใช่ค่าศึกแต่กลับเป็นสิ่งที่ให้ความรู้ให้วิชาให้ความฉลาดแก่เราต่างหากแต่ถ้าไม่รู้ก็คิดว่าเป็นค่าศึกเหมือนกันกับ ไก่ที่เห็นข้าวสารเป็นค่าศึกของมันนั่นแหละถ้าเห็นข้าวสารเป็นข้าวสารแล้วค่าศึกมันก็จะหายไปพอเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไก่มันเกิดวิปัสสนาแล้วเพราะมันรู้ตามเป็นจริงมันจึงเชื่องไม่กลัวไม่ตื่นเต้นเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทันมารมณ์นี้เป็นเครื่องให้เราตัดสรู้ธรรมะเป็นที่ให้ข้อคิดแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นชัดก็จะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปแล้วเราก็จะหนีไปอยู่ป่าเรื่อยๆ อย่านึกว่าเรามาอยู่ป่าแล้วก็สบายแล้วอย่าคิดอย่างนั้นอย่าเอาอย่างนั้นอย่าเอาความสงบแค่นั้นว่าเราไม่ค่อยได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสโพธิพพะทันมร่มแล้วเราก็อยู่สบายแล้วอย่าคิดเพียงแค่นั้นให้คิดว่าเรามาเพื่อเ พ, อเพาะเชื้อปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อมีปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วก็ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ต่ำต่สูงสูงพอถูกอารมณ์ดีก็เป็นอย่างหนึ่งถูกอารมณ์ร้ายก็เป็นอย่างหนึ่งถูกอารมณ์ที่ชอบใจก็เป็นอย่างหนึ่งถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังเป็นข้าศึกอยู่ ถ้าหมดค่าศึกแล้วมันจะเสมอกันไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ต่ำๆสูงสูงรู้เรื่องของโลกว่ามันอย่างนั้นเองเป็นโลกกรรมโลกกรรมเลยเปลี่ยนเป็นมักโลกกรรมมีแปดอย่างมักก็มีแปดอย่างโลกกรรมอยู่ที่ไหนมักก็อยู่ที่นั่นถ้ารู้แจ้งเมื่อใด โลกกระมเลยกลายเป็นมรรคแปดถ้ายังไม่รู้มันก็ยังเป็นโลกกระทเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เป็นดังนี้มันพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่พ้นทุกข์โดยวิ่งไปที่ตรงไหนฉะนั้นอย่าพูดพ ร, ราดการภาวนาต้องค่อยๆทำ การทําความสงบต้องค่อยๆทํามันจะสงบไปบ้างก็เอามันจะไม่สงบไปบ้างก็เอาเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นเราก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆบางครั้งปัญญามันก็ไม่เกิดก็เคยเป็นเหมือนกันเมื่อไม่มีปัญญาจะไปคิดให้ปัญญามันเกิดมันก็ไม่เกิด มันเฉยๆอยู่อย่างนั้นก็เลยมาคิดใหม่เราจะพิจารณาสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่ได้เมื่อไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปแก้มันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปแก้มันไม่ต้องไปค้นมันอยู่ไปเฉยๆธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ต้องอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ อยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่อยู่เพลินไปตามอารมณ์อยู่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆถ้ามีเรื่องอะไรมาก็พิจารณาถ้าไม่มีก็แล้วไปได้ไปเห็นแมงมุมเป็นตัวอย่างแมงมุมทำรังของมันเหมือนตาข่าย มันสารขายไปขึงไว้ตามช่องต่างๆเราไปนั่งพิจารณาดูมันทำขายขึงไว้เหมือนจอหนังเสร็จแล้วมันก็เก็บตัวมันเองเงียบอยู่ตรงกลางขายไม่วิ่งไปไหนพอมีแมลงวันหรือแมลงอื่นๆบินผ่านขายของมันพอถูกขายเท่านั้นขายก็สะเทือนพอขายสะเทือนปุ๊บ มันก็วิ่งออกจากกรังทันทีไปจับตัวมแมลงไว้เป็นอาหารเสร็จแล้วมันก็เก็บตัวมันไว้ที่กลางขายตามเดิมไม่ว่าจะมีพึ่งหรือมแมลงอื่นใดมาถูกขายของมันพอขายสะเทือนมันก็วิ่งออกมาจับมแมลงนั้นแล้วก็กลับไปเกาะนิ่งอยู่ที่ตรงกลางขายไม่ให้ใครเห็นทุกทีไปพอได้เห็นแมงมุมทาอย่างนั้น เราก็มีปัญญาแล้วอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ใจอยู่ตรงกลางตาหูจมูกลิ้นกายแผ่พังผ่านออกไปอารมณ์นั้นเหมือนแมลงต่างๆพอรูปมาก็มาถึงตาเสียงมาก็มาถึงหูกลิ่นมาก็มาถึงจมูก รถมาก็มาถึงลิ้นโพธิภพมาก็มาถึงกายใจเป็นผู้รู้จักมันก็สะเทือนถึงใจเท่านี้ก็เกิดปัญญาแล้วเราจะอยู่ด้วยการเก็บตัวไว้เหมือนแมงมุมที่เก็บตัวไว้ในข่ายของมันไม่ต้องไปไหนพอมแมลงต่างๆมันผ่านขาย ก็ทำให้สะเทือนถึงตัวรู้สึกได้ก็ออกไปจับมแมลงไว้แล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมไม่แตกต่างอะไรกับใจของเราเลยอยู่ตรงนี้ให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความคิดถูกต้องเราอยู่ตรงนี้เมื่อไม่มีอะไร เราก็อยู่เฉยๆแต่ไม่ใช่อยู่ด้วยความประมาทถึงเราจะไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิไม่อะไรก็ช่างเถิดแต่เราอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่อยู่ด้วยความประมาทนี่เป็นสิ่งสาคัญ ไม่ใช่เราจะนั่งตลอดวันตลอดคืนเอาแต่พอกำลังของเราตามสมควรแก่ร่างกายของเราแต่เรื่องจิตนี้เป็นของสำคัญมากให้รู้อายตนะว่ามันส่งสายเข้ามาเป็นอย่างไรให้รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนแมงมุมที่พอข่ายสะเทือน มันก็วิ่งไปจับเอาตัวมแมลงได้ทันทีฉะนั้นเมื่ออารมณ์มากระทบอายตนะมันก็มาถึงจิตทันทีเมื่อไปจับผ่านทุกข์ก็ให้เห็นมันโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะเอามันไปไว้ที่ไหนล่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้ก็เอาไปไว้เป็นอาหารของจิตของเรา ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็หมดเท่านั้นแหละจิตที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอาหารเป็นจิตที่กาหนดรู้เมื่อรู้ว่าอันนั้นเป็นอนิจจังมันก็ไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนัตตก็ไม่ใช่เราแล้วดูมันให้ชัดมันไม่เที่ยงมันเป็นทุก มันไม่เป็นแก่นสารจะเอามันไปทไําไหมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราจะไปเอาอะไรกับมันมันก็หมดตรงนี้ดูแมงมุมแล้วก็น้อมเข้ามาหาจิตของเรามันก็เหมือนกันเท่านั้นถ้าจิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็วาง ไม่เป็นเจ้าของสุขไม่เป็นเจ้าของทุกข์อีกแล้วถ้าเห็นชัดได้อย่างนี้มันก็ได้ความเท่านั้นแหละจะทำอะไรอะไรอยู่ก็สบายไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมีแต่การภาวนาจะเจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้อยู่ด้วยความระมัดระวังก็เป็นการที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารได้ ที่เรายังไม่พ้นจากวัฏฏสงสารก็เพราะยังปรารถนาอะไรอะไรอยู่ทั้งนั้นการไม่ทำผิดไม่ทำบาปนั้นมันอยู่ในระดับศีลธรรมเวลาสวดมนต์ก็ว่าขออย่าให้พลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจอย่างนี้มันเป็นธรรมะของเด็กน้อยเป็นธรรมะของคนที่ยังปล่อยอะไรไม่ได้ นี่คือความปรารถนาของคนปรารถนาให้อายุยืนปรารถนาไม่อยากตายปรารถนาไม่อยากเป็นโรคปรารถนาไม่อยากอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละความปรารถนาของคนยำปิดฉังนรพติตำปิดทุกขงังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ นี่แหละมันสับหัวเข้าไปอีกมันเป็นเรื่องของปรารถนาทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ปรารถนาอย่างนั้นทุกคนไม่เห็นมีใครอยากหมดอยากจนจริงๆสักคนการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งละเอียดผู้มีกริยานุ่มนวลสำรวมปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมออยู่เรื่อย นั่นแหละจึงจะรู้จักมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถิดขอแต่ให้มั่นคงแน่วแน่เอาไว้อย่าส่วนเซวันไว